ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปุตติยานในวันนี้คงพูดเรื่องการบริหารจิตตืกต่อไปธรรมปฏิบัติในส่วนของใจสีขาที่เรียกว่าสี่สมาธิปัญญานั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในระดับใดก็ตามอุปการธรรมที่ สำคัญและขาดไม่ได้จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยลำดับนั้นสงชายคำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกพิชาโดมนัสสังซึ่งแปลเป็นใจความว่ามีความเพียพรผูกิเลสให้รา่ารอนมีสัมปชัญญะมีสติ ขึ่งกระจัดอภิชาและโทมนั้ในโลกออกไปจะได้ข้อ น, นี้แม้แต่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้จัดสรู้คือก่อนที่จะจัดสรู้ก็ได้เน้นที่หลักธรรมสำคัญทั้งสามประการนี้และแม้ในส่วนอื่นๆของธรรมะเช่น โป้ชงทั้งเจ็ดประการเป็นต้นก็ได้นำธรรมะสามประการดังกล่าวไว้ข้างบนเพื่อเกิดผลเป็นการประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไว้ประการแรกคืออาตาปีที่แปลว่าความเพียรซึ่งบากกิเลสด้ร่าวรอ น, นั้น เป็นความเพี่ยนที่บุคคลจะต้องใช้ไปทางต่างกายและทางจิตใจแต่เน้นไปที่จิตใจเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นการปฏิบัติระดับจิตศิกขาหรือสมาธิศิกยาความเปลี่ยนนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ความเพียนที่จะใช้คำวมาประธานหรือความเพี่ยนที่ประกอบด้วยองค์4ี่ประการ เพรตามปกติแล้วบรรดากุศลและอกุศลนั้นจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกคือที่ยังไม่เกิดกลุ่มที่สองเกิดที่เกิดแล้ววัฏธรรมปฏิบัติทั้งหมดจึงอยู่ในสูตรที่เรียกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์โดยการทําจิตให้ฟ่องแผร่ วันกรณีใดที่บาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดมีข้าวว่าจะเกิดขึ้นก็ทรงสอนไว้ในรูปของอินเียสังวรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสำรวมระวังอินทรียของตอนเองเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสต้องต้องเยินร้อนกันแข็งตลอดถึงใจที่ตรึกตึกถึงอารมณ์ทั้งหลาย แต่การสํารวจระวังนั้นพึงสังเกตว่าเน้นเฉพาะอารมณ์ที่จะนํามาซึ่งความกับหนักความกัดเคืองความรุ่มหลมความมัวเมาเท่านั้นท่านี้เป็นเพราะว่าบรรดากุณธรรมทั้งหลายก็ผ่านเข้ามาทางประสาททั้งห้าเหมือนกันอาการสํารวจระวังจึงมีความเกี่ยวเดื่องอยู่กับสติสัมปชัญญะ ซึ่งจะต้องทําหน้าที่ระลึกรู้และวินิจฉัยอารมณ์ที่ผ่านมาในแต่ละขณะว่าอารมณ์อะไรควรจะให้เข้ามาหรือไม่เข้ามาบางครั้งทรงอุ ป, ปมาว่าสติจะทําหน้าที่เหมือนกับ น, นายประตูซึ่งรักษาการอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งมีหน้าที่ในการกลั่นกรองบุคคลซึ่ง ตนจใจเข้าไปหรือแม่เข้าไปโดยการวินิจฉัยว่าบุคคลที่เข้าไปนั้นจะเป็นประโยชน์กื่กูลต่อสถานที่นั้นกาเข้าไปถ้าเป็นจระจูจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายก็ไม่ให้เข้าไปการวินิจฉัยอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีรักษณะอย่างนั้น สติสัมปชัญญะจะทําหน้าที่ระลึกรู้และวินิจฉัยไปไเรื่อยประเด็นสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติให้สัมพันธ์สอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์คืออารมณ์ใดควรสํารวมระวังไม่ให้เกิดความจิตดีจินไร้าก็สํารวมระวังอารมณ์ใดที่เป็นกุศลนธรด้ทำบน้อมนําเข้ามาสู่จิตก็ปล่อยให้อารมณ์หลุดพ้นเข้ามาสู่จิต ด้วยใสยสติสัพพัญญาระลึกรู้ถูกอย่างต่อเนึ่องเราะการปฏิบัติในแนวนี้ผมสังเกตว่าเป็นการสร้างอุปการธรรมในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรก็ตามในเรียบทใดก็ตามจะต้องมีการวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นแต่เห็นว่าจะเป็นขาดศึกต่อจิตก็สารวมระวังเอาไว้ เพราะตามปกติแล้วประสาทสัมปัสของคนนั้นจะต้องพบเห็นสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอารมณ์ของโลกหรือโลกียารมความแตกต่างระหว่างพระริยบุคคลกับปุถุชนไม่ได้มีในจุดนี้แต่แตกต่างในจุดของการกำหนดรู้อารมณ์ซึ่งมากระทบทางประสาทสัมผัส ราษฎรบุคคลเมื่อสิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามา ป, ปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันเรงความจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นได้เกิดขึ้นแต่ปัญญาก็รู้เลยไปถึงว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสไม่ได้นำมาปรุงคิดคิดปรุงต่อไป ใจของท่านก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายที่ทือนใช้คาว่าไม่เดือฟูขึ้นหรือฟูลงตามความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เหล่านั้นแต่ผูุ้ชนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมของปริยะไม่ได้ปฏิบัติธรรมของประยะิยัตหรือมีธรรมะของปริยะไม่มากพอที่จะคุ้มครองจิตใจตัวเองจิตใจก็จะแปรผันไปตามอารมณ์ที่มากระทบ ที่สงใช้มากที่สุดก็คือยินดียินไราเรือพิชาและโทปนั้นอันที่จริงแล้วเกิดจากจิตของบุคคลไปให้ความสาคัญแก่อารมณ์โดดนั้นคือเกิดไปกําหนดสถานะของอารมณ์โดดนั้นโดยหน้าความรักความชังพอความชังก็เกิดขึ้นตั้งๆ ท, ที่เดิมทีเดียวไม่มีแม้แต่ความรักและความชังในรูปโดดนั้น ในรูปเสียงเป็นต้นดอนนั้นแต่เมื่อมีการกําหนดอารมณ์ข้าวรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นล่านั้นก็มีที่ผล่อนใจของบุคคลในจุดที่เองที่ทรงสอนให้สํารวมระวังป้องกันจิตเอาไว้อย่าให้เกิดกับหนักหรือเกิดขัดเคืองหรือเกิดรุ่มหลงหรือเกิดโมเมาเพราะจะเกิดมาในลักษณะใดก็ตามจะทำให้กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดจำเกิดขึ้น ที่เกิดแล้วจะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้ น, นในข้อนี้บางครั้งทรงแสดงในรูปของการใช้ปริมาณของปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจคุ้มครองใจของบุคคลซึ่งหมายความว่าในบางระดับกันอารมณ์ที่ผ่านมากระทบท่านไม่สนใจว่าเป็นอารมณ์อะไร แต่สำคัญว่าบุคคลกําหนดอารมณ์หล่อนั้นอย่างไรแล้วก็คิดถึงอารมณ์หล่อนั้นอย่างไรบางครั้งรูปเสียง Road, กลิ่นรสผลิตภัณฑน่าคลายน้าปรารถนาน่าพอใจสำหรับบุคคลบางพวกแต่พอดีท่านผู้หนึ่งมีปัญญามีสติแหลมคมมากมองทะลุมัลยายาที่ปิดบังรูปเสียงเหล่านั้นเข้าไป ก็มองเห็นถึงความไร้สัตว์ไร้ชีวะไร้ตัวตนของรูปเสียงริ่นรสตห่นั้นก็ จ, จะใช้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติธรรมจนบรรลุผลไปได้แต่ว่าจิตใจของบุคคลจะเดินถึงระดับนี้มีน้อยเพราะคำสอนส่วนใหญ่จึงเน้นหนักไปที่การสำรวมระวังไว้ก่อนเพื่อป้องกัน จากบาปจากอกุศลเอาไว้ที่ท่านเรียกว่าสังวรประทานคือปีนระวังบาประวังอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตโดยการกำหนดอารมณ์ดังที่กล่าวแล้วประการต่อไปคือการวินิจฉัยตรวจสอบถึงสภาพจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสมีลักษณะต่างๆ คือมองให้เห็นกิเลสภายในจิตและมองหเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นและมองให้เห็นคุณของจิตที่จางไปคลายไปแห่งกิเลสเหล่านั้นซึ่งสรุปว่าจะต้องมองเห็นทั้งสองด้านคือด้านโทษจนประจักษ์แก่ใจและด้านคุณจนประจักษ์แก่ใจ การม อ, เองเห็นกิเลสภายในใจออกจะมองได้ยากเพราะตามปกติแล้วคนจะหลงตัวเองข้าวข้างตัวเองตนุตนอมตัวเองอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าโทษของตัวนิสได้ง่ายโทษของบุคคลอื่นนิสได้ง่ายโทษของตัวนิสได้า ย, ดไดยากบางทีกิริยาอาการความคิดจึงไม่เหมาะไม่ควร แต่พอดีเป็นกิริย า, าการในความคิดของตนโดยพื้นฐานความหลงตนความตนุสนอมตนความเห็นแก่ตนก็พยามามอธิบายชี้แจงให้บุคคลอื่นติดตามคล้อยตามว่าเป็นความเหมาะความควรที่จะแสดงกิริยาอาการออกไปเช่นนั้นแต่ในทางปฏิบัตินั้นกำลังของสติสัมปชัญญะจะต้องแก่กล้ามากพอ จะต้องวิธิสัยดูอาการของกิเลสที่ปรากฏภายในจิตในขณะนั้นๆแล้วเพียนพยายามที่จะลดที่จะละที่จะบัรเทาที่จะสงบระงับจนถึงก็ดับไปถึงการปฏิบัติในลักษณะนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องการดับเพียงชั่วขณะหนึ่งช่วระยะเวลาหนึ่งบางขณะก็อาจจะดับได้นานกว่า น, นั้น แต่สรุปว่าจะต้องมีผลคือการลดไปการจางไปการคลายไปของจิต เ, เป็นเหตุให้จิตได้ความสุขความสงบเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติช่วงต้นๆจะมีลักษณะการต่อสู้กระดูภายในจิตระหว่างกุศลกับอกุศลเผลตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง จงทรงสอนว่าให้บุคคลปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียนอย่างต่อเนื่องในการละอคุศนที่ยังไม่เกิดในการละอกุศนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถละได้ระดับใดก็ให้รักษาจิตไว้ในจุดนั้นแล้วก็พยายามต่อไปตัวอย่างที่ทรงอุปมาก็เหมือนกับกองทัพที่รบ ก, กัน ในการรบนั้นเมื่อชนะฝ่ายตรงกันข้ามแล้วจะต้องยึดครองพื้นที่เอาไว้แล้วก็รุกคืบหน้าต่อไปจนสามารถประด็จฐ์คาสึกตรงไปได้การต่อสู้กับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสามารถเอาชนะอารมณ์ได้ในระดับใดก็เอารักรักษาคุณภาพจิตไว้ในระดับนั้นแล้วก็พยายามไปเรื่อย ซึ่งบางครั้งบางคราวมีอาการหวนกลับในทางจิตเคยประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมาได้มากแล้วแต่เกิดปัจัยภายในบ้างภายนอกบ้างมาประกอบกันก็ทำให้อกุศลเกิดขึ้นท่วมทับจิตผลจากการประพฤติปฏิบัติก็เสื่อมไป ผนเส้นทางของการประพฤติธปฏิบัติระดับศีลสิกขากับจิตสิกขานั้นจิตใดที่ยังไม่เข้าสู่กระแสปณิพันธ์จับนั้นความแปรผันย่อมเกิดขึ้นภายในจิตได้หลักการประพฤติธปฏิบัติจึงทรงสอนไว้โดยนัยามที่กล่าวแล้วก็คือจะต้องมีความพยายามที่ต่อเ น, นื่องภายกลุ่มของกุศลธรรมทั้งหลาย มีควายหนึ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่โดยธรรมาธาตุหรือธรรมาธาตุคือเชื้อของธรรมะนั้นมีอยู่แล้วภายในจิตใจของบุคคลทุกๆคนเพียงแต่จะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองธรรมะบางระดับเราใช้ต่อสู้กับอารมณ์บางระดับได้แต่พอความรุนแรงทางอารมณ์บางเกิดขึ้น ปริมาณกตมมีไม่พอใช้มันก็ใช้ในกรณีนั้นไม่ได้ดันในข้อนี้จึงส่งสอนให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องเจนเดียวกันโดยการพยายามน้อมนำกุศลที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นภายในจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น การน้อมนำกุศลเข้าสู่จิตก็ต้องอาศัยการมองเห็นคุณค่าของกุศลธรรมเหล่านั้นโดยการศึกษาโดยการเพ่งพิจารณาโดยการผินิจอาจจะศึกษาจากตัวอย่างบุคคลอาจจะศึกษาจากลักษณะต่างอารมณ์ที่จิตเราได้สัมผัสธรรมะเหล่านั้นในขณะในขนดขณะหนึ่งและปลุกขวางความพอใจโดยนิยต่างกล่าว เพิ่มปูนธรรมเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจแต่เมื่อสามารถที่จะเพิ่มปูนธรรมะขึ้นในระดับใดก็ตามให้รักษาคุณภาพจิตของตนไวในดับนั้นแล้วก็พยายามต่อไปครับซึ่งความเพียรพยายามนี้จะต้องทำในลักษณะที่ต่อเอนื่องคำที่เกี่ยวกับความเพียรจึงทรงใช้อยู่มาก ในกรณีนี้มักใช้คาว่าอารัฐวิริยะคือปราบรความเพียรมีการริเริ่มกระทําไปมิสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่มากระทบว่าอะไรที่เป็นกุศลก็ใส่ใจสนใจในสิ่งเหล่านั้นมีความมุ่งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและใช้ปัญญาวิเคราะห์ขบเจาะไปเรื่อย ความรอบรู้ความเข้าใจความแตกตางก็จะบังเกิดขึ้นในข้อนี้ทร ง, ง, งใช้คำว่าภาวนาประทานคือเปลียนพยายามให้กุศลบังเกิดขึ้นภายในจิตสันดานข้อสุดท้ายเรียกว่าอนนรักตนาประทานคือกุศลธรรมนั้นที่จริงก็เป็นสังขารบางทีที่เราเรียกว่าเจตสิกก็คือสังขารธรรม ในขั้นห้าก็คืออ ย, อยู่ในกลุ่มของสังขารนั่นเองโดยสภาพเขาแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปรงไปได้เรื่อยๆมีเพิ่มขึ้นลดลงคงอยู่ภายในจิตของบุคคลถ้าหากก็ลองสังเกตดูจะพบ ว, ว่าธรรมะเขาไม่ได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งบางทีก็แปรผันเป็นอย่างอื่นไม่ไม่ว่าจะเป็นสมาธิจะเป็นเมตตากรุณาเมตตาเป็นต้นก็ตาม เพราะในแนวนี้จึงส่งสอนให้บุคคลปลูกฝังความพอใ จ, จใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องกันไปในการที่จะพยายามจะรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้อย่างเทระบสิธิว่าให้รักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็นแต่ถึงจุดนั้นก็ไม่ใช่ความสมบูรณ์ เพีงแต่พยายามเพิ่มพูนให้ภัยบุญยิ่งขึ้นไปลักษณะของอาตาปีคือความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตนั้นจึงต้องมีกําลังมากเพราะว่าจะต้องปะทะกับกิเลสและอารมณ์ต่างๆบางครั้งก็ปรากฏตัวชัดเจนวินิจัยได้ว่าเป็นกิเลสบางครั้งแสดงตัวไม่ชัดเจน เป็นรูปของมายาเป็นภาพหลงตาเป็นผูกนิมิตอะไรต่างๆก็ทำให้บุคคลหลงไปได้แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมีที่ผลเนื้อจิตได้กระบางคือสติสัมปชัญญะที่เป็นอุปการะกแก่ความเพียรจึงต้องพร้อมที่จะระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้น การพยายามประพฤติปฏิบัติเป็นภารกิจของผู้ศึกษาทั้งหลายแต่นั้นจึงทรงใช้ในแนวของการประพฤติปฏิบัติว่าให้บุคคลอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำอย่าต่อนเนื่องกระทำจนสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นญาณภาหน้าของจิตก็เรียกว่าปฏิบัติจนเคลื่อนไหวได้เป็นอัตโนมัติ สามารถได้จิตซึ่งสงบอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกได้ในแต่ละขณะแล้วก็ทำอารมณ์เหล่านั้นให้ตกไปได้ในกรณีที่เป็นข้าศึกต่อจิตแล้วก็ซึมซับอารมณ์ที่ดีงามอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วทั้งกุศลและอกุศลนั้นจะมีลักษณะการเก็บ การสะสมอยู่ภายในใจส่วนอกุศลก็สะสมไว้ทีเล็กตีละน้อยมากเข้ามันก็กลายมาเป็นอาสวะส่วนกุศลก็สะสมกระตีละเล็กละน้อยมากเข้ามันก็กลายเป็นบารมีที่เราเรียกว่าเก็บดีเก็บไม่ดีเก็บมาจากไหนก็เก็บมาในชีวิตปรจจำวัน จากโลกแข่งประสาทสัมผัสมีการเห็นเป็นต้นนั่นเองอุปการธรรมประการต่อไปนั้นคือสัมปชา n ะโดยสำนวนบาลีแล้วแปลว่าความรู้ทั่วพร้อมเป็นลักษณะของจิตที่มีความฉับไวโดยอาศัยสัมปัญญะที่มีกำลัง ตัวจัญญาก็คือตัวปัญญาซึ่งมีความสว่างไสวลึกรู้ทันสิ่งต่างๆสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่าบางครั้งในชีวิตประจำวันของเราเราก็วินิจฉัยตัดสินคุณโทษของสิ่งต่างๆได้ทันทีทันใดแลวแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ ในเวลาที่รวดเร็วซึ่งเป็นการแสดงเหตุเร่งความมีสัมปชัญญะที่มีกำลังมากพอในการตัดสินเรื่องราวตอนนั้นเพราะนั้นจึงทรงสอนในรูปของการเพิ่มภูนสัมปชัญญะไว้ในชีวิตประจำวันในสี่ลักษณะด้วยกันโดยการแรกเรียกว่าสัตตะสัมปชัญญะ คือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ยินในสุดลมได้ลิ้มได้จับต้องก็ตามจะต้องวินิจฉัยได้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน e ์ก็สำรวมระวังดังกล่าวแล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็เพิ่มพูนขึ้นดังกล่าวจะหมายความถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ใช้ความเพียรข้อที่หนึ่งถ้าเป็นประโยชน์ก็ใช้ความเพียรข้อที่สาม ในกรณีที่ประสบกับอารมณ์ในขณะนั้นๆแต่ถ้ากว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมณขึ้อเกิดขึ้นภายในจิตก็มีการตัดสินวิธจฉัยว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็ใช้ความเพียรข้อที่สองถ้าเป็นประโยชน์ก็ใช้ความเพียรข้อที่สี่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ใช้ความเพียรข้อที่สองและที่กล่าวแล้วความธรรมะเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน การที่สองเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในเรื่องสถานที่เที่ยวไปทั้งของกายและของจิตการเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆของผู้บวชมาในพระพุทธศาสนา น, นั้นพระเจ้าคงทรงกําหนดสถานที่บางแห่งเอาไว้ว่าเป็นอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปพอไรพอไปแล้วจะ เป็นการกระตุ้นเร่งร้าวให้จิตมีความกําหนักมีความขัดเคืงมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ต่งนั้นเชนโรงมรสุรรานสุราสถานที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆที่พาจะไปท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประปูติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรม